ขอโอกาสพระจันบร์ปรนาชัยครับก็ขอโอกาสพวกเราเพื่อนสาธมิกนี่ก็เจริญพรมาอย่างพวกเราแมชีแล้วก็ญาติโยมเนาะที่มาปฏิบัติธรรมกันก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังมีก็เรียกว่ายังมีบรรยากาศ <c oughs> ของเรียกว่าของอาจารย์กำพลเนาะที่เพิ่งประชุมเพลิงกันไปแล้วก็พอเสร็จงานอาจารย์กำพลก็พระจันโน้นะครับท่านก็พาไปดูการผ่าศพก็ปรากฏว่าเราก็เห็นเนาะเห็นก็เรียกว่า น เ, นเห็นคนเสียชีวิตสองคนแล้วก็เห็นผู้คนที่มาเกี่ยวข้องกับคนที่เสียชีวิตสองคนที่พาศพกก็เป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผนกนิติเวศเหมือนกับความตายก็มีปัญหาเนาะก็ทำให้ต้องมาพาศพพิสูจน์กันเราก็ เห็นคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานกับกับผู้ตายเนาะต้องเรียกว่านึกเหมือนหมูอยู่บนเขียงนะก็เหมือนกับว่าเ้าก็เหมือนกับค้นหาหลักฐานนู่นนี่นู่นนี่อะไรกันต่างๆเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นคนสักคนหนึ่งเสร็จงานเขาก็แบบว่าเหมือนกับ คำว่าคำว่าเสร็จงานก็หมายถึงมันยังไม่เสร็จแล้วนะแต่หมายถึงวการการกระทํากับกับผู้ตายนะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความก็เรียกว่าไม่ได้ให้ความขอรบอะไรเนาะอย่างนั้นก็เหมือนกับพอผ่าผ่าเสร็จเรียบร้อยเขาก็ชวนพวกเราดูเอาไว้ย้ำภายในว่าเอ๊ะตรงนี้ตรงนั้นจะมีหลักฐาน ของของการตายเป็นแบบไหนสวดร่างกายเขาก็อืม<า>จะเรียกว่าไยงไอ่ะจะมายนโยนไปอะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะแต่ก็เป็นแบบนั้นนะก็ใส่ใสทิ้งคว้างไปทำนองนั้นคือเราก็มองอย่างที่เมื่อกี้พระอาจารย์มระท่านใช้ชวนนะชวนสวดนะ ประดุดทั้งว่าท่อนไม้และท่อนปืนหาประโยชน์มิได้จริงๆแล้วเราก็มองมองถึงการใช้ชีวิตก่อนหน้านั้นจนกระทั่งมาถึงวันที่เข้ามาอยู่ในแผนกนิติเวชแล้วก็เขาคิดสูตรหลักฐานกันกับอาจารย์กำพลเนาะที่ก็เหมือนกับว่าก่อนหน้าที่จะเหมือนกับประชุมเพลิงกันเนี่ยอาจารย์กำพลก็ ก็คงดำเนินชีวิตโคตละแบบกันเพราะนั้นคือเราก็มองว่าในวันที่มีการประชุมเพลิงกันก็มีคนประมาณสักพันกว่าคนสองพันคนเนี่ยก็มามาเหมือนกับว่ามาให้เกียรติเนาะมาให้เกียรติหรือว่ามาเคารพมาเคารพพิธีกรรมตรงนั้น หลังจากที่ประชุมเพลิงเสร็จนะก็เป็นธรรมดาที่เหมือนกับว่าก็มีการวางดอกไม้จันทร์กันถ้าเป็นงานทั่วๆไปที่วัดก็วางดอกไม้จันทร์กันก็เดินขึ้นรถกลับบ้านไปแต่ว่าอันนี้ก็ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังรอนะจนกระทั่งเหมือนกับไฟมอดเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังอยู่ยังอยู่ เคารพนะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายแล้วก็ดูว่าเออคนสองคนนี้นะสิ่งที่คนพิการคนหนึ่งเนาะอาจารย์คำพนเนาะมีคนเคารพกับอีกคนหนึ่งก็อายุอานามก็คงจะไล่เลี่ยงกันนั่นแหละนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าความตายของเขาก็เหมือนกับ ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของคนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์กุมพลในช่วงของการที่สิบกว่าปีให้หลังเนาะต้องเรียกว่าสิบกว่าปีให้หลังจริงๆก็เป็นช่วงที่ คือเรียกว่าตั้งแต่ ต, แ ต, ตั้งแต่ทางชมรมเพื่อนกุณธรรมรับอาจารย์กำพลไปอยู่ไปไปดูแลเนาะชมรมเพื่อนกุณธรรมก็มาเจออาจารย์กำพล ท, ที่ที่วัดป่าสุกตมพอเจออาจารย์กำพลเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนพิการคนนี้เนี่ยเป็นคนพิการที่ที่น่าจะก่อประโยชน์ให้กับให้กับสังคมเนี่ยเยอะมาก เพราะฉะนั้นคือทางชมรมเพื่อนุธรรมก็รับเอาไปดูแลคุณเอกก็พูดอยู่คําหนึ่งว่าดูแลอาจารย์กระปุลคนเดียวเนาะแต่ว่าอีกหลายๆคนเนี่ยได้ประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วคําว่าหลายๆคนเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดก็คนที่ไปในงานวันนั้นก็คงเห็นประโยชน์ตรงนี้เป็นพันสอง0 0นคนตอนนั้นแต่ว่าจริงๆอาจารย์กระปุลเขาน่าจะทําประโยชน์ให้กับ ผู้คนอีกมากมายเนื่องจากว่าตลอดช่วง10กว่าปีเนาะอาจารย์กำพลก็ได้เหมือนกับว่าเดินทางไปบรรยายธรรมร่างกายที่ใช้ไม่ได้จริงๆเราก็จะบอกว่าร่างกายที่ใช้ไม่ได้เพราะเป็นอัมาาพาตเนี่ยมันก็จริงๆก็ยังใช้ได้นะส่วนที่ยังใช้ได้อยู่ก็คืออาจารย์ยังคงพูดได้แม้เคลื่อนไหวไม่ได้ นั่นคือคำพูดของอาจารย์ก็เป็นคำพูดที่เป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนเนี่ยได้คลายทุกข์เนยอย่างนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเออภาระหน้าที่ของเราเนาะเราเกิดมาเกิดมาก็กินอยู่หลับนอนเนาะเป็นไข้ป่วยบ้างอะไรบ้างอะไรต่างนานานอ น, นี้ก็ เป็นเหมือนกันทุกคนแต่ว่านั่นคือเนี่ยเราใช้ชีวิตเนาะแบบว่าอยู่กับเรื่องราวต่างๆอันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกเนาะอย่างนั้นก็มีความหมายกับผู้คนมากๆแต่ถ้าหากว่าอาหารอันนี้ก็เค็มไปอากาศก็ร้อนไปเย็นไปหนาวไปแรงต่างเราก็เป็นทุกข์กับเรื่องราวต่างๆรบๆ้าค้างตรงนั้นก็มันก็เราก็เหมือนกับว่า เป็นธรรมดานะอยู่กับโลกโลกไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนั่นนั่นคือตรงนี้ในส่วนที่เคยได้มองเห็นอนาะจารย์กมพลตลอดระยะเวลาสักประมาณสักสิบามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็ได้เห็นว่า อ, อาจารย์กมพลก็อยู่กับเรื่องราวต่างๆเนาะอย่างเขาเรียกว่าอย่างสนุกสนาน อาจารย์กบพนก็ใช้คาว่าสนุกพิการในขณะที่หลวงพ่อคเขียนเนาะที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์กบพก็ใช้คำว่าสนุกป่วยในขณะที่เราอาจจะทุกข์กับความเจ็บป่วยหรืออีกหลายๆคนอาจจะทุกข์กับความพิการเนี่ยแต่หลวงพ่อคเขียนก็ใช้คำว่าสนุกป่วยแล้วก็อาการที่อยู่กับความเจ็บป่วยก็เป็นไปตามคำพูดจริงๆหรืออาจารย์กบพนเองก็ เหมือนกันก็อยู่กับความพิการยังสนุกไปกับความพิการตามคำพูดจริงๆเพราะนั้นคือเหมือนกับว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหลวงพ่อคำเขียนพูดคำนี้กับระจารยกระพุนพูดคำนี้สิ่งที่รองรับอยู่ก็คือชีวิตประจำวันที่ที่ท่านใช้เนาะที่ท่านใช้อยู่กับตรงนั้นอย่างหลวงพ่อคำเขียนความเจ็บป่วยอะไรต่างๆที่มองเห็นนี่ หลวงพ่ก็ม่เห็นไม่เคยก็เรียกว่าไม่เคยแสดงอาการเป็นทุกข์เนาะให้เราเห็นเนาะหมายถึงอาการทางกายก็ดีหรือนั่เาเรียกว่าทางคำพูดคำจาก็ดีตรงนี้ไม่เห็นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราสังเกตในส่วนของร่างกายเนาะร่างกายอาจจะมีส่วนที่มีอาการผิดปกติบอกเราเนาะแต่ว่า ความเจ็บปวดนะของร่างกายหลวงพ่อคำเขียนไม่เคยไม่เคยบอกเราอย่างครั้งหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนก็แบบแรกว่าอยู่กับอาการเส้นเลือดแตกในในช่องท้องนะตั้งแต่เช้าเก้าโมงจนกระทั่งถึงเกือบเที่ยงคืนเราก็สังเกตอาการว่าหลวงพ่อมี มีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ว่าตรงนั้นอ่ะก็ดูไม่ออกับว่าหลวงพ่อมีอาการผิดปกติแบบไหนจนกระทั่งหมอมาตรวจเนี่ยหมอก็ตรวจแบบคำว่าคำว่ามาตรวจหมายถึงว่าตั้งเกือบเกือบเที่ยงคืนนะหมอก็มาตรวจแล้วกฏหมอก็ตรวจตามตามก็เรียกว่าตามหน้าที่ของคุณหมอนะคุณหมอก็ แมเอาหูฟังฟังแล้วก็มีการจับกดตรงนั้นตรงนี้ต่างๆก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นธรรมดาของคุณหมอก็จะทำแบบนั้นกันปรากฏว่าเราก็สังเกตเห็นว่าพ่อคุณหมอกดมาที่ช่องท้องด้านซ้ายเนี่ยลุงพ่อก็มีอาการสะดุ้งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นเอง คุณหมอก็สังเกตเห็นคุณหมอก็ถามว่าเจ็บตรงนี้เหรออะไรเงี้ยห<อ>ลวงพ่อก็บอกใช่เ อ, อคุณหมอก็ถามว่าเจ็บแค่ไหนห<อ>ลวงพ่อก็ถามว่าเจ็บแค่ไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าถ้าเจ็บมากก็สิบเจ็บน้อยก็หนึ่งอะไรเงี้ยนะหลวงพว่อบอกโอ้เกินสิบไปเยอะเลย <laughs> ในขณะที่หลวงพา่อตอบว่าเกินสิบไปเยอะเลยหลวงพ่อก็ตอบแบบเกินสิบไปเยอะเลยเป็นปกตินะอย่างนั้นตอบยิ้มยิ้มไปอย่างเงี้ยคุณหมอก็ได้ยินคําตอบคุณหมอก็ตกใจแล้วคุณหมอก็ถามบงกว่าอ้ามทำไมแล้วทําไมไม่บอกใช่ไหมทำไมไม่ร้องไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคุณหลวงพ่อก็ตอบคุณหมอบอว่ า, วาก็ในเมื่อมันเจ็บแล้วก็ไม่รู้จะร้องให้ขาดทุนไปอีกทําไม ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คือคือนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นเนาะจากหลวงพ่อการที่การปฏิบัติธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนกับความเจ็บป่วยของร่างกายเนาะมันก็มีความเจ็บป่วยของร่างกายไปแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยที่ทำให้ร่างกายนั้นต้องร้องโอดโอยขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ จริงร่างกายก็ไม่ใช่ร้องอดโอยขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะนั่นคืออย่างงานผาศพเนี่ยเราก็มองเห็นนะว่าร่างกายก็แข็งเป็นต้นไม้ต้นปืนไม่สามารถทําอะไรได้นั่นหมายความว่าจิตใจเนาะที่ไปแล้วจากร่างกายนั้นเนี่ยก็ไปแล้วแต่ว่าในขณะที่หลวงพ่อคำเจียนเนี่ยจิตใจที่อยู่กับร่างกายนั้นก็เป็นจิตใจที่ไม่ได้ทุกข์ร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่านั่นคือ มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเนาะมีกายเนาะก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมอย่างนั้นมันก็ต้องมีความเจ็บมีความป่วยมีความตายเป็นธรรมดาตรงเนี้ยความไม่ทุกขนะ์เนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของหลวงพ่อเมื่อกียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่เรามองเห็นนะลองรับกับสิ่งที่เรียกว่าสนุกป่วยหลวงพ่อก็เรียนรู้ความป่วยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ oh, ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีกรรมฐานเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งตายเนาะอย่างนี้เราก็ต้องรีบไปบอกเขาก่อนแลบว่าก็อาศัยความเจ็บป่วยเนาะของตัวเองเนี่ยเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้เหมือนกับว่าได้ไปบอกไปบอกไปเล่ากับคนอื่นว่าอุ้มนี่นะเวลาเจ็บป่วยนะเราจะวางใจยังไงหรือว่าเราจะเตรียมตัวเนาะที่จะรู้จักการวางใจได้อย่างไงทําน o n เดียวกันอาจารย์ขงพลก็เหมือนกัน ในตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจารย์กมลก็อยู่กับความพิการเนอะในสิ่งที่ท่านเองท่านก็แบบสนุกกับความพิการในตอนที่รู้จักอาจารย์กพลใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คืออาจารย์กมลจะสารวนกับการต้องใช้คําว่าสารวนนะสารวนกับการพับผ้าห่มคนพิการเนอะที่พิการทั้งตัวพิการตั้งแต่คอลงไปเนี่ย เอ้าปรากฏว่าพับพ้าห่มได้ด้วยนิ้วมือเนะก็ไม่กระดิกไม่ได้มือก็งอแข็งอยู่อย่างนั้นนะปรากฏว่าอาจารย์กัพลก็อาศัยก็เรียกว่าช่องทางที่ยังเหลืออยู่นะจะเป็นมือที่งออยู่บ้างก็เกี่ยวจับอะไรต่างๆนานะเหล่านี้เท่าที่ทําได้แล้วก็พับพ้าห่มเดี๋ยวก็พับเดี๋ยวก็คลี่เดี๋ยวก็พับเดี๋ยวก็คลี่ นี่คือสิ่งที่อาจารย์ยมพลเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอาศัยนะอิเลียบทเนาะที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เออมันก็แปลกนะคนพิการนะสามารถเคลื่อนไหวได้แต่นั่นคือมันเกิดขึ้นมาจากอาจารย์ยมพลเนี่ยแบบว่าค่อยๆเนาะเขาเรียกว่าค่อยๆเคลื่อนไหว น, น้อยๆมา เนาะเคลื่อนไหมวได้น้อยจากการที่หลวงพ่อเข า, าเจียนบอกว่าถ้าพลิกมือได้ก็พลิกมือนะรู้นะอยากเข้าไปอยู่นะอย่างนี้นัน่นคือตรงเนี้ยนะอาจารย์เงาฝนก็เริ่มต้นจากการพลิกมือขวาเนาะต้องเรียกว่าพลิกยังไม่สามารถที่จะพลิกความแล้วก็ตั้งฉากได้ด้ซ้าไปอย่างนี้ยแต่ว่านั่นคือการพลิกมือครั้งนั้นก็ก็เรียกว่าเป็นการที่ ทำให้เกิดอาจารย์กำพลถ้าไม่งั้นก็คงจะเป็นนายกำพลคนพิกา ร, รอะไรสักคนหนึ่งไปแต่พ่านั้นคือการพลิกมือครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์กมพลก็พบว่าอืมพอพลิกมือไปเจ็ดวันเนี่ยความทุกข์ที่เคยมีอยู่นะตลอดนะทุกนาทีเนี่ยต้องเรียกว่าตลอดทุกเวลาเนี่ยความทุกข์มันหายไปไหนเนื่องจากว่าอาจารย์กำพลก็ เป็นคนพิการคนหนึ่งนะการฉี่การอึนะการหิวน้ำการอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ต้องรอนะรอคนอื่นมามาทําให้ทั้งหมดจะพลิกตัวจะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนึงคือก็คิดสารพัดเนาะถ้าคนรอบข้างเราตายไปเราจะอยู่ยังไงหรืออะไรต่างๆนานาเราคงเป็นคนที่เขาไม่สนใจก็ถึงได้ทอดทิ้งอะไรต่างๆก็ คิดกินไปสารพัดเนาะตรงนั้นนลนั่นนั่คือตรงเนี้ยมาพอเวลาที่อาจารย์เงพลพลิกมือตั้งใจพลิกมือนะเพราะว่านั้นคือหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก็บอกว่าคนพิการเนี่ยก็ปฏิบัติ ท, ทําได้นะขอเพียงแค่หายใจอยู่เท่านั้นเองเลยเนะี่ยตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์เงพลเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมังอยู่นะไอ้ความที่เราทุกๆอยู่ตรงนี้เนี่ย มันน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเกิดขึ้นได้อาจารย์กระพุก็มีกําลังใจที่จะแบบว่าลองพลิกมือดูแล้วก็การที่ลองพลิกมือดูเนี่ยอาจารย์ก็สังเกตเห็นว่าเออไอความทุกข์เนี่ยที่เคยมันเคยดำลงอยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็หายไปพอเจ็ดวันไปเนี่ยตัวเองเห็นเลยมว่าอาจารย์กระพุเห็นเลยว่ามันมีเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนไปคนรอบข้างก็เห็นว่า เปลี่ยนไปเนาะคนรอบข้างเนี่ยน้องชายอาจารย์กมพลบอกว่าอาจารย์กมพลเนี่ยหมุดหิดน้อยลงใน7วันนี้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> ก็สังเกตเห็นนะคนรอบข้างก็สังเกตเห็นนั่นก็คือตรงนี้อาจารย์กมพลก็เริ่มจากการพลิกมือรู้สึกตัวนี่แหละสร้างความเคลื่อนไหวเนาะใช่ไหมเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ใจที่เคยไปจมอยู่กับทุกเนี่ยก็ อ, ออกมารับรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกาย ว่า น, นั้นทุกมันก็มีพื้นที่ที่น้อยลงทุกมันมีพื้นที่ที่น้อยลงเวลาที่ทุกทั้งแผ่นมันก็น้อยลงไปจริงๆนั้นนั่นคือเจวันตรงนั้นนะอาจารย์กุพนก็รู้ว่ามาถูกทางอาจารย์กุพลก็พยายามเนาะก็เรียกว่าพยายามต่ออย่างเต็มที่มีศรัทธากับการปฏิบัติธรรมอีกเดือนหนึ่งถัดมาเนี่ยอาจารย์กุพนก็มีคําพูดที่ที่เขาเรียกว่า เป็นคำพูดที่ไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจใผู้คนตลอดมากก็คือแบบว่าอาจารย์คนขอลาออกจากความพิการ <c oughs> คำว่าขอลาออกจากความพิการเนี่ยมันเป็นคำพูดที่อาจารย์กมนก็ใช้คำนี้มาตลอดแล้วก็ตรงนั้นแหะมันก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อกำเขียนเนี่ยก็มองเห็นมากมคนเนี่ยคงจะต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะอย่างเงี้ย ก็หลวงพ่อกำเเขียนก็รับมาอยู่ที่วัดเราที่นี่ตั้งแต่ปี2542นะแล้วก็หลวงพ่อกำเเขียนก็จะชักชวนให้คนที่มาที่วัดเนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อเองนะตอนนั้นยังไม่ไมยังไม่ได้บวชนะก็พอมาถึงเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเออขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์กมพลอย่างนี้นนะ แล้วก็ไปเยี่ยมมาจากกังกบนก็เห็นอ้าคนพิการคนหนึ่งก็สะกิดใจนะเพราะว่านั่นคือคนพิการแต่ว่าคือเหมือนกับความยิ้มย้มแจ่มใสเนี่ยที่ที่เรามองเห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเรามองไม่เห็นจากคนพิการอื่นๆในชีวิตเราก็ได้เห็นคนพิการมาเยอะแล้ว อ, อยในเนี้ยนะนั่นะนั่นคือตรงนี้ก็ เห็นก็เป็นสะดุดตาตอนเวลาที่ได้พูดได้คุยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามีศรัทธาพอเวลาที่อาจารย์เห็นอาจารย์นานๆเข้าเนาะอย่างที่บอกว่าเห็นอาจารย์แบบพัเพ้าห่มเป็นสรารวนอยู่อย่างเงี้นะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้คนนี้ก็เป็นคนที่เหมือนกับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา คือการเคลื่อนไหวของคนพิการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่านั้นคืออาจารย์ก็เหมือนกับว่าอาศัยเนะเาะก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆที่ทําได้เนี่ยเป็นการสอนตัวเองนั่นนั่นคืออาจารย์ก็เหมือนกับพยายามที่จะหาก็เรียกว่าสิ่งที่ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้เนาะมาใช้อาจารย์ไม่ได้สามารถทําได้อย่างพวกเราเนาะอย่างพวกเราสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยเนาะ รู้เป็นครั้งครัรู้เป็นครั้งครั้งสิบสี่รู้สิบสี่ครั้งอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์ทําไม่ได้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่เสมอๆนะพวกเราโชคดีนะว่าพวกเราเคลื่อนไหวกันได้แบบนี้เนาะแล้วรู้เป็นครั้งคร้งรู้เป็นครั้งครั้งสิบสี่จังหวะได้เนี่ยแต่ว่าน้ำอันนั้นอาจารย์ก็เหมือนกับว่าจริงๆอาจารย์ก็ทําได้แล้วนะเพราะว่าจากการเคลื่อนมือ น, น้อยๆเนี่ยอาจารย์ก็เพียนตัดต่อมาจากมือขวาขยับได้น้อยนิดเดียวก็ เป็นขยับมือซ้ายต่อมาขยับไปขยับมาก็พับผ้าผมได้แบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนั้นอะ่ะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความสามารถทางร่างกายที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งทีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับอาจารย์กัลนก็ใช้ใช้หนังสือเล่มสุดท้ายที่เป็นหนังสือหนังสือในแจกในงานเนาะประชุมเพลงอาจารย์เรียกว่าปฏิหารแห่งธรรม คือธรรมเนี่ยนะธรรมะที่เราปฏิบัติกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งเนาะการเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์มากๆแต่ลองๆในกันการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยการเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับอากัปกิริยาต่างๆที่ ที่เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเนาะจะเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของก็ดีจะเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ดีจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยจะจัดสรรจัดสรรให้เราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะอย่างคนมีธรรมนั่นนั่นคือเมื่อเกี่ยวข้องอย่างคนมีธรรมเนี่ยความงดงามก็เกิดขึ้นนะ ความงดงามความพอเหมาะพอดีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนาะโดยที่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์เหมือนอย่างผู้บําเพ็ญประโยชน์นั้นเราก็ต้องไปหาเรื่องทำเอาะบำเพ็ญประโยชน์ไปแต่ว่านั่นคือการกินอยู่การขับถ่ายการหายใจต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นทันทีคือ ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็จะบอกบอกว่าทําดีอะ่ะดีแล้วไม่ใช่ว่าทําดีถึงจะได้ดีไม่ใช่นะอย่างงี้ยอย่างอย่างเอย่างพวกเราเด็กๆ เ, เนาะใช่ไหมเราเรียนหนังสือมาทําดีถึงจะได้ดีเพราะว่าเราก็เรียนหนังสือไปสิ้นเทอมก็สอบกันคนนี้ก็ได้ที่หนึ่งได้ที่สองอะไรต่างๆนัานาที่หนึ่งที่สองตอนนั้นก็ก็ต้องรอกันหลายเดือนเนะาะก็จะได้ผลของการทําดีทําดีถึงจะได้ดีที่จริงๆตรงนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่ในทางธรรมเราเนี่ยทำดีก็ดีแล้วเพราะนั้นนั่นคือการกินอยู่อะไรก็ดีเนี่ยเวลาที่เห็น เ, นเห็นอาจารย์กมพลเนี่ยแบบว่าการที่ท่านแบบว่าตักอาหารเข้าปากเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราก็ชื่นใจแล้วนะนี่อันนี้คนดูนะก็ชื่นใจแต่ตัวอาจารย์กมพลเองในขณะที่อาจารย์ยมพลตักอาหารเข้าปากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นกับ อ, อาจารย์ก็คืออาจารย์ก็สามารถที่จะน้องเาเรียกว่าอาจารย์ใช้คำว่าหนีบช้อน <c oughs> ก็อาศัยแบบว่าจับช้อนเองนะแล้วก็ตักอาหารเข้าปากเองไม่ทุกกับอาหารที่หล่นที่ยลาดนะ <c oughs> ก็ตรงนั้นการตักก็หมดจดเรียบร้อยนะการส่งอาหารเข้าปากการเคี้ยวกันกลืนเองแต่นั่นนะเหล่านี้ทั้งหมดก็ เป็นเรื่องที่ดูพอเหมาะพอดีคนก็เรียกว่าคนกินอาหารเองปากคอก็ไม่เลอะเทอะเนาะปากคอไม่เลอะเทอะก็ไม่หลน่นเลอะเสื้อผ้าไม่อะไรต่างๆนานาอะ น, า น, า น, นี่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าธรรมะจัดสรร น, นะหลวงพ่อเองก็ขอใช้คำว่าธรรมะจัดสรรเพราะนั่นคือใช่ไหนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์กัปตก็มีสตินะ กับการตักอาหารรู้ว่าตัวเองมีความสามารถเท่านี้เนาะจะตักอาหารอย่างไงเนาะเรียนรู้เนาะการตักอาหารวันหนึ่งเนาะของเราก็มีอย่างน้อยที่สุดก็วันหนึ่งเขาต้องเรียกว่าเป็นร้อยคำนะอย่างเงี้ยเราได้เรียนรู้เนาะการตักอาหารแบบอาจารย์คาพลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าเราตักเนาะแบบว่าตักกินไปตามที่เราเคยชิน เนาะอันนั้นอยากกินอันนี้ไม่อยากกินหนึ่งตานาหนาเหล่านี้นะตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบถ้าเราปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบก็หมายถึงว่าเราก็อาศัยเนาะอาการที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าตัดอาหารเน่ยอาศัยการเคลื่อนไหวตรงนั้นอะเป็นการที่เรากลับมาดูเนาะอือตอนนี้กายเราเป็นยังไงตอนนี้ใจเราเป็นยังไงนะ ความนุ่มนวลที่เกิดขึ้นกับการตักอาหารเนาะใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึงถ้าเกิดว่าเราเคยสังเกตนะเวลาที่เราอยากอะไรสักอย่างเนาะเราจะรีบควา้ารีบจับอะไรขึ้นมามาเป็นสมบัติของเราเนี่ยการที่เราตักอาหารถ้าเกิดว่าเราตักจากความอยากเนะมันก็จะมีอากัปกิริยาแบบนั้นการหกการหล่นเละเทอะก็จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนั่นก็คือนี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย หลวงพ่อเขียนบอกว่าให้เราช่วยโอกาสนะให้เราช่วยโอกาสจะเป็นเราอยู่ในรูปแบบก็ดีหรือว่านอกรูปแบบก็ดีเนี่ยให้เราช่วยโอกาสช่วยโอกาสแค่ไหนช่วยโอกาสแค่ชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแ ล, ล้วปิดนิดเดียวก็เอาหน่อยเดียวก็เอานั่นนั่นคือตรงนี้นะมาหลักการที่หลวงพ่อเทียนได้ให้ไว้เนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมันคอยรับรูนะ้เนาะเนาะมีสติเนาะ ที่จะคอยดูเนาะกายมีสติที่จะคอยดูใจเนาะตรงเนี้ยเนาะเราจะพบว่าอาจารย์กัมพลเนี่ยพบว่าเวลาของชีวิตเนี่ยที่เสียไปกับเนาะก็เรียกว่าการที่เราหลงไปคิดเป็นทุกเนี่ยเนาะตรงนั้นก็เอาเวลาตรงนั้นเนาะเอาใจที่ไปเสียเวลากับความคิดเป็นทุกข์แล้วก็จิตใจก็หมุนมองเนะี่ยเอาใจมาคอยสังเกตความเป็นไปของกายสังเกตความเป็นไปของใจ ตรงนั้นอะเป็นสิ่งที่อาจารย์กระปุลก็เหมือนกับว่าก็ได้ทำเนาะได้ทำแล้วก็พอทําแล้วชีวิตก็มีการพัฒนาจากคนพิการคนหนึ่งเนาะก็กลายเป็นคนที่มีธรรมอยู่ประจําตัวเนาะจะหยิบจะจับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเอี้ยวตัวไปมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจารย์กระปุลก็มีสติคอยรู้สึกตัวไปกัความเคลื่อนไหวตอนนั้นตอนนี้กายเราเป็นยังไงตอนนี้ใจเราเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า คอยคอยตามรู้ตามดูไปเมื่อตามรู้ตามดูไปด้วยสติตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเนาะก็เหมือนกับว่ามีสติเนี่ยคอยคุ้มครองคอยคุ้มครองกายคอยคุ้มครองใจตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็มีเนาะมีสติอยู่กันทุกคนพวกเราก็ทำได้กันทุกคนแต่สิ่งหนึ่งก็คือพวกเราก็ต้องเพียรเพียรที่จะอาศัยนะเขาเรียกว่า นอกเนื่องจากการที่เราอยู่ในรูปแบบสิจังหวะหรือการสร้างการเดินชมกลมเนี่ยพวกนี้เราก็ลองทําอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนบอกนะลองฉวยโอกาสนะนิดนึงหน่นอยนึงจะหยิบหนังสือจะหยิบกระเป๋าจะเปิดซิปจะอะไรต่างๆหน้าๆหล่านี้นนก็เป็นเรื่องที่เราลองเติมความรู้สึกตัวก็ไปเติมความรู้สึกตัวเข้าไ ป, าไปแล้วก็ตรงนั้นดนะมันจะเป็นสิ่งที่เราจะติดกระดุมก็ดีจะอ้าปากก็ดี เนาะจะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ดีตรงนั้นสติก็จะคุ้มครองเรานั่นนั้นคือตรงนี้ก็ขอให้ความปฏิบัติเนาะนั่นๆของพวกเราทั้งหลายเนี่ยจมเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้อาศัยเนาะการที่เราฝึกสติตรงนี้เนี่ยช่วยให้พวกเราเนี่ยก็ได้พ้นทุกข์แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากันก็พวกเรากลับมาพร้อมกัน Thank <laughs> you.